พระพุทธเจ้าเป็ยมนั่งคัดสมาเพชธทีนี้เราท่านทั้งหลายก็แล้วแต่สะดวกสบายเรา ส, สบายความองมงายคือให้กิจตั้งมั่นเป็นสมาธิเท่านั้นการที่กิจจะตั้งมั่นเป็นสมาธิก็ต้องหาหาที่หาที่ให้กิจตั้งนะเหมือนเราจะปลูกบ้านสร้างเรือนนั่นละ่ะ ต้องหาสถานที่ทําเลบ่เหมาะสมาธิจิตจะตั้งมั่นก็หาที่ถูกจริตที่ใสเหมาะกับสะดวกสบายนั่นแหละในที่นี่เราภาวนาเราเอาลมหายใจเป็นเครื่องรูปของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติท่านเรียกว่าอานาปานสติน แล้วก็หาหาฐานที่ตั้งของจิตคนมาใหม่คนเก่าก็คงเข้าใจแล้วละ่ะฐานทั้งหมดมันมีอยู่เจ็ดฐานที่พระพุทธองค์ตัดแสดงเอาไว้นั่นตามทางเดินของลม ห, หายใจที่แรกก็ฐาน ท, ที่แรกลมหายใจก็เริ่มเข้าปลายจมูกนี่แหละ จุดที่หนึ่งที่สองก็ขึ้นหน้าผากที่สามกระมอมที่สี่ลงมาคอที่ห้าหน้าอกที่หกท้องเกิดสะดือแล้วลหมหายใจก็หมุนปัดออกมากลับออกมาเรียกว่าปัดสะเข้าเรียกว่าอัดสะออกเรียกว่าปัดสะปัดออกมาจากสะดือก็มาท้อง จากท้องก็มาหน้าอกดิ้นปีนีนะ้ขึ้นมาคอแล้วก็มากระหม่อมออกหน้าผากเลยออกมาพ่นไปจมูกเรียกว่ า, าลมกระทบจุดไหนในเกียที่นี่เด่นที่สุดชัดที่สุดแรงที่สุดให้เราท่านนังไล หายใจทดลองดูคนที่มาปฏิบัติใหม่เข้ายาวสักสี่ครั้งห้าครั้งออกยาวอยู่นั่นแหละดูสังเกตพิจรารณาดูว่ามันกระทบจุดไหนเด่นที่สุดแล้วก็เอาเข้าสั้น ออกสั้นสักสี่ห้ารอบนะทำดูมันกระทบตรงไหนชัดเจนแรงที่สุดเข้าสั้นสลับยาวดูาหาเลือกดีๆเลือกที่ดีๆเลือกทำเลดีๆเข้ายาวสลับสั้นดูมันกระทบตรงไหน มีทีเลือกแล้วก็เอาเบาๆดูลมเข้าเบาๆดูยาวหรือสั้นก็าตามเอาเบาๆดูแล้วเอาหนักๆดูเทนี่เราจะสังเกตเห็นมันกระทบตรงไหนชัดเจนแล้วก็เลือกเอาจุดนั้นแหละเป็นที่ตั้งของจิตที่ตั้งของสติเนะี่ย เอาสติไปตั้งไว้ตรงนั้นเอากิตไปตั้งไว้ตรงนั้นแล้วก็จับเอาลมหายใจเข้าออกและลึกลูบลมหายใจเข้าออกตามคําแปลมนลานั่นแหละอาณาก็แปลว่าลมเข้าปานะก็แปลว่าลมหายใจออกสติก็แปลว่าและลึกลูบ เราก็เอาสติมาและลึกลูลมหายใจเข้าออกอทำอยู่อย่างนี้ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนเท่าที่เราจะมีเวลาเห็นลมหายใจไม่เรียกว่ากลางวันกลางคืนไม่เรียกว่ายืนเดินนั่งนอนก็ให้มีสติจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจนี่ ไม่ต้องวางจากลมหายใจไปไหนก็เรียกว่าภาวนาแล้วง่ายๆการภาวนายืนเดินนั่งนอนอยู่ก็มีสติอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าภาวนาภาวนาอันก็แบ่งออกเป็นสองอย่างอันหนึ่งก็เรียกว่า สมถภ า, าวนาภาวนาแปลว่าทำนะการกระทําแปลย่ อ, อว่าทำหรืออบรมหรือปฏิบัติแปลได้อย่างนี้ภาวนาภาวนาก็แยกออกเป็นสองอย่างหนึ่งสมถภ า, าวนาคือทําจิตให้สงบ อบรมจิตให้สงบก็ว่าปฏิบัติจิตให้สงบอันที่สองเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาวิปัสสนาภาวนาก็แปลว่าการทําปัญญาให้เกิดทําจิตให้เกิดปัญญานั่ยละอบรมจิตให้เกิดปัญญาพอเดียวกันปฏิบัติใจให้เกิดปัญญาทําใจให้เกิดปัญญา ต้องเข้าใจอย่างนี้นะมันมีคนละขั้นละตอนกันบางคนจะลวใส่กันไม่รู้ว่าสมาธไม่รู้ว่าวิปัสสนาสมาธนี่คือทำจินให้สงบมาจิดสงบแล้วจิดออกจากสมาธิแล้วจึงเป็นขั้นของวิปัสสนานะให้พากันเข้าใจอย่างนี้ การกระทำมันก็ง่ายๆแล้วนี่แหละอี่มันไม่ได้ก็เพราะว่าอ่ศรัท ธ, ธาศรัท ธ, ธามันน้อยความเชื่อความว่า้าลมหายใจนี่ทำลมหายใจเฉยๆมันมจะจิตสงบได้ยังไงหรือก็ไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้า ตัดสรูด้วยอาณาปานสตนะิท่านตัดเอาไว้แล้วอาณาปานสตินะบุคคลใดเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมได้เกโตวิมุตติปัญญาวิมุตติดุดพ้นจากขันห้าสินอาสวากิเลสในทิฏฐธรรมนี้นะั้ ท่านตัดเอาไ้บุคคลใดจะเรียกว่าชายหรือหญิงหนุ่มหรือแก่พระเทนเนนชีถ้ า, าทำลงในอาณาปานสตินี้ทำให้มากจะเิญให้มากในอาณาปานสติย่อมได้เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติหลุดพ้นจากขั้นห้าสิ้นอาสวิกิเลสอาสวกิเลส ในทิฏฐธรรมนี้หรือหากมีอุปธิเหลืออยู่ก็จะได้เป็นพระนาคามีท่านตัดเอาไว้สูตรหนึ่งนะตัดแสดงไว้ดีแล้วเนี่ยเราไม่เชื่อมีศรัทธาน้อยความเพียรมันก็น้อยศรัทธาวิริยะ ถ้ามีความศรัท ธ, ธาเรื่อมใสเชื่อแน่ว่าพระพุทธองค์ตัดสล้ด้วยอนาปานสติเราก็ความเพียรเราก็แก่ากล้าเหมือนกันนะศรัท ธ, ธามากความเพียรก็มากความเชื่อว่าเรื่มใสในพระพุทธเจ้าว่าตัดสล้ด้วยอันนี้จริง เชื่อว่าคำสอนของพระพระเจ้า เ, เมื่อผู้ใดปฏิบัติแล้วจเจริญแล้วย่อมได้ผลไอ้ศรัทธาของเรามันน้อยความเพียรก็เลยน้อยเหตุมันน้อยผลมันก็น้อยเหตุมากผลก็มากตัวศรัทธานี่แหละเป็นของสำคัญที่สุด ในการปฏิบัติถ้าเราศรัทธาเชื่อว่าจริงละพระพระองค์ทำลงที่อนาปานสตินี้ท่านจึงตัดสรู้ได้ทำไมเราถึงจะไม่ได้พระพุทธองค์ก็ทาสี่ดินน้ำลมไฟเหมือนกันไม่แปลกผิดแปลกแตกจากเราท่านทั้งหลาย นี่ตัวศรัทธาสำคัญนะเมื่อศรัทธาแก่กล้าวิริยะความเพียรก็มากขึ้นต่อแก่กล้าเหมือนกันเมื่อความเพียรเกิดวิลิยะสติสติก็แก่กล้าตามกันเหมือนกันเมื่อได้สติแก่กล้าคุมกิจมาลูกกบลมหายใจไม่ให้ ออกนี้ไว้ไหนเป็นเด็ดขาดนะ น, นะจนลมหายใจมัน ส, สม่าเสมอกลมกลืนเป็นอันเดียวกันเรียกว่าสมถนเสมอกันไม่สั้นไม่ยาวเป็นก้อนเป็นกลุ่มนิ่มละเอียดลงกีดก็กเยือกเย็นขึ้นมาเท่านั้น ก็ได้สมาธิเมื่อได้สมาธิก็ได้ปัญญาขึ้นมาที่ตัดว่าอินสียห้าพละหา้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาถ้าตัวศรัทธามันเดี๋ยวนี้ศรัทธาเพียงไหนแล้วเราเนะศรัทธาเพียงไหน ศรัทธาพอห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไมนี่ยนั่งอยู่นี่ฮะศรัทธาห้าสิบมันก็แค่ห้าสิบนั่นแหละถ้าศรัทธาแปดสิบเก้าสิบมโนมันได้สมาธิหมดเลยอยู่นี่อ่าทำไมมันถึงจะได้เราไม่ว่างลรอสติยืนเดินนั่งนอนก็จะคุ้มสติมารู้ลมให้เราอยู่ ก็เรียกว่าภาวนาท่านไหมดูลมถ้าลมหายก็เห็นเราเห็นผู้รู้นั่นแหละรู้ลมเห็นเราอยู่ก็เรียกว่าภาวนาไม่ให้จิตส่งนอ ก, กจิตก็จะตั้งมั่นอยู่ที่จุดเดียวไม่ให้มันวิ่งไปไหนให้มันแยบออกไปไหนได้สติแก่ก้า อุ่มกิจอยู่ได้กิจก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิเท่านั้นเมื่อเกิดสมาธิแล้วก็ได้ปัญญาขึ้นมามันง่ายมากเนะถ้าคนมีศรัทธาแต่ศรัทธาเล็กๆน้อยๆมาลองดูเฉยๆมาลองดูเฉยๆได้ก็เอาไม่ได้ก็เอาลองก็ลองแค่ตามศรัทธา ตามความเชื่อนัอ่นถ้าศรัทธาเต็มร้อยเห็นพระนิพพานในชาตินี้แหละในทิฏฐธรรมนี้แหละทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับศรัทธาเมื่อมีศรัทธาแล้วก็มีฉันทะฉันทะฉันทะคือความยินดีพอใจ ฉั้นธาตเป็นมูลเป็นรากฉันธะมูลกาฉั้นธาเป็นมูลเป็นลากเป็นเงาเป็นโคนขึ้นมามันไม่อยู่ดอกสมาธิไงยังไ ง, ง, ไงก็จะพยายามจับเอารมอยู่อย่างนั้นอยากเห็นพระน涅槃อยากได้เป็นพระละหันก็ได้ในชาตินี้หละทิฏฐธรรมนี้มันขึ้นอยู่กับศรัทธา กิดกับลมไม่ให้ไปไหนนั่งอยู่เฉยๆก็สติไปตั้งไว้ที่ฐานรู้ไม่รู้เห็นไม่เห็นก็เอาสติไปรู้อยู่ที่นั่นมันก็ได้เท่านั้นอ่าไม่เห็นลมก็เห็นผู้รู้เห็นเรารู้ลมเห็นเราที่ว่านะันไม่เห็นลมก็เห็นผู้รู้ผู้รู้ว่าลมเข้าลมออกคือเราฮะ ผู้ภาวนาฉลาดขึ้นนิดหน่อยอเขาก็จะประจับเอาเอาผู้รู้ว่าลมเข้าลมออกนั่นแหละผู้รู้ว่าลมเข้าลมออกนั่นะคือเราคือจิตคือจิตตัวผู้รู้ว่าลมเข้าลมออกนั่นแหะคือจิตคือใจอเอาลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึก ของสติถ้าไปจับเอาตัวผู้รู้ก็จะได้จิตรู้จิตเห็นจิตก็จับเอาจิตนั่นแหละเอาถ้าดูลมไปลมดูไปดูมาลมหายใจก็จะนิ่มละเอียดจางคลายหายไปก็เหลือตั้งแต่ความรู้รู้รูน่ะตัวผู้รู้นั่นแหล ะ, ลหละคือจิต เรียกว่าตกเบ็ดเอาปลาภาวนาเอาจิตนะจับเอาจิตเลยเท่เนี่ลมหายใจมันจางคลายหายไปก็ปล่อยไปแล้วก็เอาสติมาจับเอาจิตอย่างเดียวก็สําเร็จแล้วก็เห็นจิตตกเบ็ดเอาปลาภาวนาเอาจิตลมหายใจเป็นเหยื่อล่อลเป็นอุปกรณ์ เป็นเครื่องล่อให้จิตมาเสพอยู่กับลมเมื่อเราเห็นได้จิตเทีนจิตแล้วเราก็เอาสติมาจับเอาจิตนี่แหละจิตคือผู้รู้อาศัยอยู่ที่ลมหายใจเมื่อลมหายใจจางคายหายไปความรู้รู้รู้ผู้รู้ตัววิญญาณนี่นะคือความรู้รู้ วิญญาณเนี่ยคือตัวเราเราก็คือผู้ลู่นั่นแหะลู่ลู่ลูขึ้นมาก็เอาสติไปจับเอาผู้ลู่ส่วนลมหายใจเราก็ปล่อยหนีไปลอจับเอาจิตเฉยๆบางคนก็กลัวเจ้าของอยจะใจขาดตายไม่เห็นลมตกใจกลัวลูกกลัวผัวจะอยู่ไม่ได้ค้นหาลมขึ้นมาอีกอืม ไม่มีเราเขาก็อยู่ได้อยู่ดอกไม่ต้องมันไม่ตายดอกมีตัวผู้รู้อยู่นะไม่ต้องไปค้นมาค้นขึ้นมาอีกกิจก็หยาบขึ้นมาอีกมันไม่สงบเลยเท่นี่นถ้ามันลมหายจางคลายหายไปกายระงับดับไปก็ปล่อยมันเอาสติมาจับเอาผู้รู้ผู้รู้ยังอยู่มันไม่ตายดอกนะให้เข้าใจอย่างนี้ จับเอาผู้รู้รู้รู้อ่าก็เรียกว่าจิตของเราลงถึงฐานใหญ่ได้เจโตวิมุตต์จิตหลุดพ้นจากขันห้าชั่วชานข่มไว้สมาธิข่มไว้เรียกคือหนึ่งว่าวิกขัมภณะวิมุตตวิกขัมภณะแปลว่าสะกดแปลว่าข่มนะ คมมันคมอะไรมันคมขันห้ามันสะ ก, กดขันห้าเอาไว้กิจก็ออกไปเป็นเอกเทศหนึ่งเดียวอยู่อ่ามันจ่าขะขันห้าท่านจึงเปรียบเสมือนหินทับยาหินทับยาแต่มาที่สะ ก, กดขันห้า ทับขันห้า ข, ข่มขันห้าเอาไว้ขันห้าคือเครื่องมือของใจเครื่องใช้ของจิตธาตุของจิตขันห้าใช้งานไม่ได้มันไม่ใช่ขันห้าตอนนั้นแม่นั่งก็ไม่ปวดแข่งปวดขานะจิตออกมาเป็นอารมณ์เดียวรู้เฉยรู้เฉยมาจะล็อกตัวอยู่ ถ้าเป็นอย่างนี้เราก็จะได้เห็นความรู้รู้รู้นั่นแหะคือจิตแท้ใจเดิมของเราจิตเดิมแท้ของเราท่านเรียกว่าเอกเทศเอกาทิพโวเอกาทิพโวมันจะเป็นเอกเทศหนึ่งเดียวรู้ๆูอยู่เท่านั้นนี่แหละเขาเรียกว่า บุปเพบุปเพจิตตังพระพุทธองค์ตัดเอาไว้บุปเพจิตตังแล้วก็จะเห็นจิตเดิมแท้ของเราว่างสว่างสวัยผ่องใสเป็นผู้รู้รู้อยู่เี่เราก็ได้สมถทะทล้นมันไม่เห็นยากอะไรมันยากตัวศรัทธาเชื่อไหมหล่ะเดี๋ยวนียฮะ ถ้าเชื่อไม่ต้องมาฟังก็ได้เอาสมาธิเลยจับลมให้ใยอย่างเดียวลมกับกจิตให้แนบสนิทติดกันอยู่อย่างนั้นรู้กันอยู่อย่างนั้นเหมือนกับเขาเอาไม้สีไฟลมให้ใยก็เป็นไม้อันหนึ่งจิตก็เป็นไม้อันหนึ่งถูกันอยู่อย่างนั้นเสีกันอยู่อย่างนั้นจิตกับลมอะ เสพกันลู่กันทู ก, กันอยู่อย่างนั้นอย่าให้มันห่างออกจากกันไม้มันจะเย็นมันไม่ลุกเป็นไฟกิจมันจะหยาบขึ้นถ้ามันออกถอยออกจากกันกิจมันจะไปเที่ยวที่อื่นไปแสวงหาพบใหม่อีกอันนี้เอาผมลมหายใจเป็นพบของกิจให้กิจมารู้อยู่ที่ลมหายใจมาก เกิดอยู่ที่ลมหายใจเท่านั้นนะอารมณ์คือภพเป็นที่ตั้งของจิตเอาลมหายใจนี่แหละเป็นภพของจิตให้จิตมารู้อยู่ที่ลมหายใจนี่สำเร็จคืนนี้แหละชัว่วโมงนี้แหละไม่ไปไหนหรอกมันไม่ยากเลยอากาลิโกรเราองค์ตัดแสดงไว้ดีแล้วพระธรรมคำสอนอาณาปานสติ ตัดแสดงไว้ดีแล้วสันทิตโกผู้ปฏิบัติลมหายใจพึงรู้ด้วยตนเองเห็นด้วยตนเองว่าลมหยาบลมละเอียดลมสั้นลมยาวว่าเราเห็นลมหรือไม่เห็นถ้าไม่เห็นลมก็ความจิตก็วิ่งหนีจากฐานไปวิ่งหนีจากลมไปไปเสพกับอารมณ์อื่นเขาให้เอ เอาลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตให้จิตมาเสบอยู่กับลมแล้วก็ปล่อยจิตไปเสบที่อื่นมันจิตก็ไม่สงบแล้วอารมณ์คือพบของจิตเราเอาลมหายใจเป็นอารมณ์จิตก็มาเกิดอยู่ที่อะมาลูอยู่ที่อะลมอย่างเดียวมันก็ได้เท่านั้นไม่มีอะไรหรอกอที่เราทำไม่ได้ก็เพราะว่า นั่งไปนั่งมาทีนี่อันหนึ่งอันหนึ่งก็คิดคิดโลภอยากได้สมาธิอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้อยากได้อิทธิฤทธิ์ปาเตียงหันห่อเฮินเดินอากาศได้อยากให้มันเป็นอย่างนั้นนี่คือกิเลสกิเลสก็คือมารมารภายใน อามาอนภายในมากั้นกลางจิตไม่ให้สงบเพราะความอยากมากั้นกลางจิตอยากได้อันนี้ถ้าอยากได้เป็นทุกข์อันนี้อยากได้เป็นทุกข์เรียกกิเลสถ้าอยากได้สิ่งใดมันเป็นสุขก็เรียกว่ามัจอยากได้ลมให้ใจอยากเห็นลมให้ใจ ก็เป็นมัจถ้าอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ก็เป็นกิเลสร้อนอยากได้อะไรมีสุขมีความเย็นขึ้นมานะเป็นมัจแสดงว่าเราไปอยากได้อันนั้นอยากเห็นอันนี้ได้ยินเขาว่าก็าอยากได้มันเขาอยากเป็นเหมือนกับเขาเนี่ยแหละนี่แหละมันถึงเรียกว่ากิเลสมานมานทั้งหลายจะมาลอออกก่อจิตนี้ จากลมหายใจออกจากสมาธิไปเสพอยู่กับเขาพระ อ, องค์จึงตัดมงคนสามสิบแปดเคยได้ยินไหมหลังนักภาวนาทั้งหลายเสยวนาจะพาะนางแปลว่าไม่เสวนาแปลว่าไะเสพไปครบไม่ให้ไป เสพกับคนพานให้ไปเสพกับบัณฑิตจำได้ไหมล่ะเนี่ยฮะอ่เสวนาจะพาลานาะงบัณฑิตตานั่นจะเสวนานะให้ไปเสพกับนักปราชญ์บัณฑิตทำไมพระพุทธองค์จึงตัดมงคลข้อแรกอันนี้เป็นอา น, นิสงส์มากข้อแรกเนี่ยนะ ถ้าใครไม่ไปเสีบกับคนพันก็ไปเสีบกับบัณฑิตบัณฑิตก็ไปไปหามรรคผลนิพันเสีบกับคนพานพานพาไปหาผิดเสีบกับบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลเอาใจมัน่านภายในพันมันมีหลายพันภายนอก เคยเห็นไหมล่ะคนผ่านภายนอกขี่เล่าเมาสุราฆ่าสัตว์ลักทรัพย์โกหกหลอกลวงเล่นชู้กับัวกับเมียนี่ยเขาเรียกว่าคนผ่านผ่านภายนอกผ่านภายในคือใจของเรานี่แหละคือกิเลสคือม่านกิเลสม่านความอยากเมื่อกี้เนี่ยแหละ อย่าไปเสพกับมันให้มานเสพอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวแล้วลมหายใจมันจะมีนักปราชญ์บัณฑิตอยู่ที่นั่นนักปราชญ์บัณฑิตคือผู้รู้อาศัยอยู่ในลมหายใจลมหายใจมันจะห่อหุ้มเอาตัวผู้รู้ตัวจิตเอาไว้เราไม่เห็นนักปราชญ์บัณฑิตไม่เห็นผู้รู้ก็เอา สติหรือเอาจิตไปเสพอยู่กับลมก่อนนี่แหละนักปราชญ์บัณฑิตถ้าไปเสพกับความคิดก็เรียกว่ากิเลสเรียกว่ามานนี่มานอันแรก น, นั่นเองมานอันที่สองมันจะมาล่อเอาจิตหนีออกจากฐานสมาธิล่อเอาจิตหนีออกจากลมหายใจนี่มานอันที่สองคือขันธมาน เวทนาขันความปวดแช่งปวดขาปวดหลังปวดเอวปวดก้นปวดสารพัดมันจะทำปวดหลังปวดเอวขันหน้าขันหลังแน่นหน้าอกปวดเสียนเวียนเก้าวนั่งไปหายใจไม่เขา้าไม่ออกมันมาบีบเอาไว้พวกมันมายามานัน มันมาจากคำว่ามายาภาษาบาลีเรียกว่ามายาแปลว่าเสแส้งแกล้งทำหลอกผีหลอกเจ้าของให้เข้าใจอย่างนี้นะมายากลเคยเห็นเขาเล่นกนไหมโ <c oughs> กมนมายามายาเนี่ยไม่อยู่ที่ไหนคือใจของเราเนี่ยแหละใจดวงที่เป็นบาป เคยได้ยินไหมล่ะฮะมาละไทยอ่ะไม่รู้จยากมาละไทยไม่ได้นะเนนี่ยไทยก็แปลว่าใจเนี่ยนะพระพุทธองค์ตัดมาละไทยมารยามารยาใจมันแสดงมารยาคนเฉยๆมาหลอกเราใจก็คือไทยใจก็คือไทยมารยาก็คือเสสเซ็ง ใจตัวเป็นบาปมันไม่อยากให้เราไปเห็นมรรคผลนิพพานมันก็เสแส้งแก้งปวดแข้งปวดขาขั้นหน้าขั้นหลังแน่นหน้าอกสะอึกสะเออแล้วแต่มันจะทำบีบจมูกไม่ให้ใหายใจก็ได้มันสำแดงแปลงเพศ้อยสันพันเหลี่ยมพวกมัน้อยสันพันเหลี่ยม ที่มันจะมาหลอกเราคนโง่ก็ไปเสพกับมันไปคบกับมันกิจก็ไม่ตั้งมั่นเป็นสมาที่แล่เท่นี่มันจะล่อเอากิจเราออกนี้มาลู้กับมันมาคบกับมันมาเสพกับมันอันนี้มานอันนี้สองอันที่สามคืออภิสังขารมันอภิสังขารมัน อาภีเขาแปลว่าใหญ่สัง ข, ขารกขาแปลความคิดมันตัวยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือความคิดนี่เองนั่งลงไปอันนี้แหละจะมาลบมาลาข้าฟันกับกจิตของเราล่อเอาจิตของเราไปคองอ่านั่งอยู่กับคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นเรื่องนู่นเรื่องจบไม่เป็น มันจะเอาจิตเราหนีออกจากฐานสมาธิมาลู่อยู่ที่ความคิดมันอย่าลอกเอจิตของเราหนีออกจากลมให้ใหญ่มาเสีบอยู่กับมันมาเสวนาอยู่กับมันท่านยังว่าอะเสวนาถ้าทําได้อย่างนี้จิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิก็เห็นอารมณ์พันธุ์พันเท่านั้น่ะก็เห็นมรรคผลพันธุ์เท่านั้นถ้า ม, านมันไม่หลอก เราหลงกลของมันมันก็เอาความคิดเรื่องดีๆนั่นแหละมาล่อออกไปเสียก่อนเอาแหวมันับพาเราคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เอาจิตเรามาเสบอยู่กับเขามาลูกกับเขาจิตของเรายัางหนีจากฐานสมาธิหนีจากลมให้ใจมาหนีจากนักปา่าตบฑิตคือผู้ลู่มา เสีบอยู่กับมานเราจรึงไม่ได้รับความสำเร็จในการนั่งสมาธิาตัวที่สี่ก็คือมานตัวที่สี่ท่านเรียกว่าเทวบุตรมานเทวบุตรมานเคยได้ยินไหมล่ะนั่งลงไปมันจะเกิดแสง สว่างสวัเรียกว่าอาภาโซแสงโอภาสเป็นลำกล่องส่องไปหรือเป็นสายลุงหรือเป็นดวงแจ้ววิ่งไปวิ่งมาหลอกเราล่อเอาจิตหนีจากลมหายใจมาลู้กับมันเกิดแสงแปกปรหลาดขึ้นมาเรียกว่าโอพาโซอาภาโซแสงโอภาส สว่างสวัยอ่านี่แหละก่อนหยดสงังจะสงบมันจะเกิดแสงอันนี้บางคนสว่างสวัยผ่องใสขึ้นมาอ่าถ้าใครไปหลงไปงมไงไปเย็นไปถือเอามันก็จะส้ำแดงแปลงเป็นอย่างอื่นเป็นภาพต่างๆขึ้นมาเป็นนิมิตขึ้นมาแสงโอภาสนี่แล่ละ ถ้าใครจับได้ใครดูได้มันจะทำให้เราเกิดสติปัญญาไปรู้ไปเห็นอันนั้นอันนี้ขึ้นมาถ้าเราไปหลงกลมันก็จะเป็นมิปัสนูกิเลสเป็นนิมิตต่างๆขึ้นมาเราก็หลงดลุนสมาธิสมาธิอ่อนๆเนี่ย กำลังจะลงถึงฐานใหญ่นี่มันจะเกิดอันนี้ขึ้นมาแล้วก็หลงว่าเราได้ทําเห็นทำขึ้นมาตามไปเห็นภาพนิมิติเลยเป็นวิปัสสนาเกเลตถ้าเห็นก็รู้อยู่เฉยๆมันว่างมัน ส, สว่างสวัยฟองใสเอาใบจิตก็ลงถึงฐานใหญ่พื่ลงไปเท่านะัไม่ยินดีไม่ยินลายอันนี้มันเป็นดาบสองคม บางบางบางคนบุญบรารมีเก่ามีก็อเอาแสงนี่แหละส่องไปดูอะไรก็ได้แต่อย่าไปทำนะมันเป็นดาบสองคมอันพูดให้ฟังเฉยๆเนาะส่องไปดูใครคิดอย่างนั้นใครส่งจิตออกไปอย่างไห น, นดูหมดถ้าเอาแสงอันนี้ลง เ, เข้าไปดูมันสามารถส่องดูลู้ ความคิดของคนรู้วารกจิตของคนได้ไปรู้ไปเห็นอันนั้นอันนี้ได้อันนี้ที่ท่านไปเกิดอันนั้นเกิดอันนี้ขึ้นมาก็เกิดจากแสงโอภาสอันนี้นะว่างครอบโลกเลยอมันจะเป็นแสงพุ่งเข้าไปแต่อย่าไปทํานะมันมันเป็นดาบสองคมปุชเช่ๆหรอกแล้วจากแสงโอภาษักิตจะว่าง ลงถึงฐานใหญ่เลยและทีเนี้ไม่มีรูปไม่มีภาพไม่มีนิมิตอะไรกิน จ, จะตกถึงธรรมชาติสว่างสวัยจับเอาตัวนี้เลยเนี่ยเอาตัวรูรูตัวว่างสว่า ง, ส ว, างสวัย่องใสอยู่นี่เลยทีนี้นี่แหละถ้าถ้าไม่งั้นถ้าเราไปหลงกลไปจับดูเห็นมันเกิดมันดับไปนั่นไม่ใช่นะมันหลอกเราแล้ว ให้รู้อยู่เฉยๆไม่ยินดีไม่ยินไล่มันจะกลายเป็นนิมิตตัวนี่ยนิมิตเห็นอันนั้นนิมิตเห็นอันนี้จะสำคัญตนว่าเราบรรลุสาเร็จเป็นพระลันคันจะเป็นบ้าต่อไปเป็นชั้นวนสืบต่อวิปปิลิปราชสืบต่อให้เป็นวิปิลปราชต่อไปอถ้าเราไปยินดียินไลยมันถ้าเรารู้อยู่เฉยๆจิตก็จะลงถึง ฐานใหญ่ว่างสว่างสวัยผ่องใสมันเป็นดาบสองคมอย่างนี้แหละให้พากันเข้าใจต่อไปมันจะแปลงซ้ำแดงแปลงเพศเป็นเทวบุตรเป็นเทวดานะนิมิตต่างๆออกจากนิมิตแล้วก็เป็นเสียงประกอบด้วยภาคในฟิล์มดูกันแล้วก็พูดกันได้นั่นนไม่ใช่ธรรมดานะอันนี้ ถ้าผู้หญิงจะชอบเห็นเทวบุตรเห็นเทวบุตรหล่อแล้วเอาการเทียบไม่ได้ดอกผัวอยู่ที่บ้านสามีเหมือนกับลิงถุงตัวหนึ่งถ้ามาเห็นเทวบุตรเทวบุตรในสมาธิพวกผู้หญิงจะเห็นเป็นผู้ชายถ้าเราไม่สนใจมันก็หาเรื่องเข้ามานอนก็ริ่มกะเรียอยู่ที่ตัก เข้ามาหาเราดีไมด่ดีมันเปรย์กายให้ดูนั่นแหละผู้ชายก็เหมือนกันเป็นเทวดาลงมานางฟ้าลงมาสวยไม่เคยเห็นผู้หญิงสวยขนาดนี้กิจแล้วกว็ออกหนีจากฐานสามาธิมาชมนางฟ้านะอะไรที่ไหนได้มันคือมนันมานมาหล อ, อ, อกกิจเรามาคอง อเอาไปเอามาก็หลงกลมันยาของจิตมันต้องรู้จักใจของเราดวงใจที่เป็นปา่าดวงใจที่เป็นกิเลสเป็นมันมาเสียแสงแก่งขึ้นมาลอ่ลอเอาจิตเรามาจึงไม่ให้มาเสพกับเขาอาสัวนา ให้ไปเสพกับ น, นักป่าบัณฑิตนะนักป่าบัณฑิตคือผู้รู้ผู้รู้อยู่ที่ไหนละ่ะผู้รู้คือจิตอาศัยอยู่ที่ลมให้ใจเอาจิตไปเสพกับลมเอาแหวมาลมให้ใย จ, จางคายหายไปก็จะเห็นนักป่าบัณฑิตคือผู้รู้รู้รูคือผู้โทนนั่นแหละคือผู้รู้นักป่าบัณฑิต แล้วก็เอาจิตไปจับเอาไปเสีบกับอยู่กับนัก ป, าป่าดิตนดิบอะเนี่ย้ะให้เข้าใจนะมันต่างๆอาเสวนาอย่าไปเสีบกับมันอย่าไปลู่กับมันถ้าใครใไปนั่นกับหมูขึ้นเคียงแล้วมันจะล่อเอาจิตเรามาคองเอาจิตเรามากินมอดเอามาฟักลาบขึ้นเคียงเหมือนกับหมู ฟักลาบบีบส้มใส่เอาส้มใส่เอาเข้าวขวบง้อหอมใส่มันเอาจิตเรามาขึ้นเขียงคนโง่ก็ปล่อยให้มนันเอากิตมาคล้องเอากิตมาขึ้นเขียงฟักเหมือนกับเขาลาบหมูเขาเรียกว่าภาวนาแบบหมูขึ้นเขียงหมูขึ้นเขียงใครได้ยินไหมละหะ่ะฮะ มันล่อเอาจิตแล้วมาคองหมอดเล่เหลี่ยของเขาถ้าเราไม่มาเสียบกับมันไปเสียบกับบันดิตเอาไปมาลมหายใจจางคายหายไปก็จะเห็นแต่ความรู้รู้รู้รู้ตัวผู้รู้นี่แหละจะมีลักษณะเป็นธรรมชาติครอบโลกอยู่ว่างสว่างสวัยผ่องใส เป็นธรรมชาติอย่อยางนั้นนี่เรียกว่าจิตลงถึงฐานใหญ่จะเป็นธรรมชาติสว่างสวัยป่องใสตายไม่เป็นตัวผููร้รู้รูรู้เห็นอยู่สภาพรูรู้อย่างนั้นเราก็เห็นจิตเดิมแท้ของเราเนี่ยเป็นสภาพรู้ เป็นธรรมชาติครอบโลกอยู่สว่างผ่องใสก็ได้สมถะหรือเรียกว่าเจโตวิมุตตเท่านั้นในนั่นเราจะเห็นแต่พูดไม่ได้นะรู้อยู่ตากจิตตายใจของเรานะจะเห็นความรู้ความว่างอันนั้นนะความรู้รู้นั้นตายไม่เป็นผู้ที่ตายไม่เป็นก็เรียกว่าอามตะ อมตตาจิตอมาตตาธาตุอมาตตรารรทำทำที่ตายไม่เป็นรู้รู้เอาจิตไปเสพอยู่กับผู้ตายไม่เป็นให้เข้าใจอย่างนี้นะเห็นอย่างนี้จึงถูกว่าเล่าหนึ่งมันจะเห็นเป็นว่างครอบโลกครอบจักรวาลสว่างฟองใสอยู่ก็เห็นธรรมเห็นธรรมชาติเท่านั้นนี่แหละดวงตาเห็นธรรม ตาในตาสติตาปัญญาไม่ใช่ตาเนื้อตาหนังเราก็จะเห็นธรรมชาติว่างสว่างสวัยผ่องใสครอบครอบโลกอยู่หมื่นล้านจั ก, กรวาลในโลกนี้ตัวจิตนี้จะครอบไปหมดเอโกธรมเป็นธรรมชาติหนึ่งเดียวว่า แล้วก็เห็นธรรมโมเห็นธรรมชาติดวงตาเห็นธรรมเนี่ยนะอ่าไม่ลูกคําในวันทางเข้าใจไมไหมล่ะฮะไม่ใช่ไปเห็นอยู่ในตัวหนังสือเดนเห็นตาสติตาปัญญาตอนมันว่างลงนี่นะจะเห็นธรรมชาติสว่างสวัยของใสผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นเรานะ่ะ มันอยู่ด้วยกันเราก็คือผู้รู้เราคือแตทาคตอันหนึ่งจะเป็นรู้รู้อยู่เป็นพุโทโธอันหนึ่งก็เป็นว่างเป็นธรรมชาติเป็นธรรมโมผู้รู้ว่าว่างผู้รู้ว่าเป็นพุโทโธธรรมโมก็คือเราคือสังโฆเนีเราจะเห็นพุโทโธธรรมโมสังโฆ ข, ขึ้นในขณะนั้นเลยก็เห็นสาระที่พึ่งภายใน อาพุทธทางธรรมังสังขังสารนังคัจฉามิสารณะนีะ่นะที่พึ่งเราเห็นที่พึ่งภายในแล้วเห็นพุทธธรรมสงภายในแล้วเกิดมาไม่เสียชาติเกิดผู้ใดยังไม่เห็นก็เรียกว่าโมฆะสติสติผู้เปล่าประโยชน์โมฆะโมรุษบโมุษผู้เปล่าประโยชน์ เกิดมาไม่เห็นสรณะที่พึ่งก็ตายไปก่อนตายไปเปล่าๆถ้าใครเห็นแล้วได้ที่พึ่งแล้วนี่แหละสรณะที่พึ่งภายในแต่ก่อนเราท่องเอาพุทธังธรรมังสังฆังสรนังคาฉานิแต่พอมาเห็นจริงๆก็มาเห็นอยู่ใจเรานี่เองพุโทโธธรรมโธสังโฆ อัตติ์อัตโนนาโถนี่ะตนเป็นที่พึ่งของตนก็ทําใจของตนนี่ให้เกิดเป็นพุโทโธธรรมโมสังโฆเราก็จะได้ที่พึ่งอันประเสริฐกาจัดภัยได้จริงเมื่อธาตุจะแตกขันจะดับเราจะได้เราก็เอาจิตเราไปพึ่งอยู่กับพุโทโธธรโมโสังโฆก็เข้าสู่พระนิพพาน หรือไม่ได้ไปเข้าสู่พระนิพพานก็จะไปเกิดอยู่สวรรค์ชั้นพร ม, มโลกอ่าได้ไปเกิดอยู่พร ม, มโลกหรือได้เป็นพระอนาคามีไปเกิดอยู่ชั้นสุดทวาสง่ายไหมล่ะทเนี้ฮะทำไมจะอ่าทำไมได้เลือกเกิดไม่ได้ใครว่าเลือกเกิดไม่ได้เลือกเกิดได้ ถ้าให้ท่านลักษาสินก็นมาเกิดเป็นเทวดาถ้าทํากิจให้สงบเป็นสมาธิขึ้นมาก็ได้เกิดจุพ ม, มาโลกถ้าถ้าแตกขั้นดับเอาไปอยู่กับผู้ตายไม่เป็นผู้รู้รู้รู้เฉยนี่ยนะนะอะอยู่กับอารมณ์พระนิพพานอยู่กับธรรมชาติอตนะ่นั้นนะกิจก็เข้าพระนิพพานไม่กลับมาเกิดอีก กิตลงถึงธรรมชาติธรรมชาติเป็นผู้รู้รู้รๆูอยู่เฉยๆนี่แหละเจโตวิมุตต์เห็นในสมาธิเป็นธรรมชาติครอบโลกครอบสามแดนโลกธาตุครอบหมื่นล้านโลกธาตุอยู่ไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลไม่มีเราไม่มีเขาเวลากิจว่าง ลงต้นไม้ภูเขารลกาอาคารบ้านช่องหอ้วงไม่มีมีแต่ความรู้สว่างสวัยผ่องใสนั่นแหละจิตใครก็ตามไม่เรียกว่าพระเทนเนนชีอุบาสกอุบาสิกาเมื่อไม่ถึงจุดนี้ก็จะไปถึงธรรมชาติด้วยกันหมดนี่แหละคืออารมณ์พระนิพาน์เห็นตั้งแต่เรายังไม่ตายเห็นพระนิพาน์ เห็นตอนจิตสงบท่านเรียกว่าเจโตวิมุติแต่ก่อนคันห้ามันบังเอาไว้อยู่พราะดับคันห้าลงได้มันก็เห็นอารมณ์พระนิพพานรู้รูว่างสว่างสวัยเป็นธรรมชาตินิพพานธาตุนี่ยเป็นธรรมชาติเป็นธรรมธาตุไม่ว่าชายหรือหญิงหนุ่มหรือแก่กจิตลงถึงอันนี้เป็นอันเดียวกันหมดเป็นธรรมชาติเหมือนกันหมด เป็นอารมณ์พันิพานหมดเป็นเจโตวิมุตต์หมดอืมเข้าใจไหมหลังผู้เห็นแล้วก็อ๋ออ๋อแหละผู้ผู้เคยสงบผู้ยังไม่สงบก็สงสัยอยู่ว่าทําต่อไปอนี่แหละเห็นไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยูน่นี่ว่างเป็นศุญญาตาเป็นธรรมชาติศุญญาตามหาปริศนเป็นธรรมชาติ ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นเราเนี่ยเราคือใครกับคือผู้รู้นี่แหละเราคือแต่ธาตตัวผู้รู้กับตัวธรรมชาติมันจะเป็นอันเดียวกันอยู่นี่ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นก็เห็นผู้รู้ผู้ใดเห็นผู้รู้ก็ผู้นั้นก็เห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระธรรมพระสงฆ์มันได้อยู่ที่อื่น ผู้ใดเห็นทำผู้นั้นก็เห็นเราเราก็คือผู้รู้รู้รูู้เป็นธรรมชาติอยู่นั่นอ่ไม่ลู้คำในวันทางเลยเนีนเห็นแล้วได้สารณนาที่พึ่งใจขาดธาติแตกขันดับเอาเข้าไปอยู่กับนี่แหละกรรมจัดภัยได้จริ ง, นะ ง, ง, ง, รงเนีพุทธทางธรรมังสังฆังเอาจิตไปพึ่งเอาพุทโธธโมเนี่ยเป็นสนารณะเป็นที่พึ่ง เราก็จะไปเกิดเป็นพระนาคามีหรือจิตเข้าสู่พระนิพพานเป็นพระงหันเข้าสู่พระนิพพานไปเลยไม่ต้องไปถืออารมณ์ไหนเอาสุญญาตาเนะี่ะว่าสุญญาตามหาโุลิสามหาบุรุษคือพระพุทธเจ้าก็อยู่นี้ธรรมชาตินะความว่างอันนะ้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็น พระพุทธเจ้าผู้ใดผู้เห็นพระพุทธเจ้าผู้นั้นก็เห็นธรรมมันไม่อยู่ที่อื่นดอกเข้าใจไหมล่ะแม้แต่จับชายผ้าเหลืองชายสังฆาตีหรือชายผ้าเหลืองของพระพุทธเจ้าอยู่ถ้าไม่เห็นธรรมชาติดีนยวนี้ก็ไม่เห็นธรรมนะไม่เห็นพระพุทธเจ้านะถึงจับชายผ้าเหลืองอยู่ ถ้าใครไปเห็นพุโทโธธรมโมเนี่นะผู้ใดก็เห็นเราเท่านั้นเห็นพุโทโธธมโมเห็นสังโฆผู้ใดเห็นธรรมก็เห็นเราให้เข้าใจอย่างนี้เวลาเรียกว่าสมถภาวนาจบสมถากิจสงบแล้วเกิดปัญญาลู่ในสมาธิท่านเรียกว่าญถาภูตายานทัศน์นเกิดแล้วยาถาภูตตาแปลว่า เห็นตามความเป็นจริงทัศนาแปลว่าเห็นญาณแปลว่ารู้ปูตาญาถาปูตาว่าตามเป็นจริงรู้เห็นตามความเป็นจริงว่าขันหา้าว่ากายของเราเนี่ยในขณะอยู่ในสมาธิไม่มีเป็นธรรมชาติเดียวกันหมดจึงว่าเรียกว่ารูกธรรม ใจของเราก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเรียกว่าน้ำธรรมรูปธรรมน้ำธรรมเราเห็นธรรมชาติเราเห็นธรรมชาติผู้ใดเห็นธรรมชาติผู้นั้นก็เห็นพระพุพธเจ้าพระธรรมเนี่ยเห็นธรรมชาติอนี่เป็นรูปธรรมนามธรรมว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมายึดมาถือเอาว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขา พอออกจากสมาธิมานี่แหละปัญญาจะเกิดปัญญาวิมุตต์หลุดพ้นผู้ที่อินทร์บารมีแก่ก้าก็จะเกิดปัญญาวิมุตต์หลุดพ้นในขณะออกจากสมาธิอ่านี่แหละมันมันไม่อยู่ไกลหอ เขาเรียกว่าปัญญาวิมุตตหรือเรียกว่าวิปัสนาภาวนาอิดรู้แจ้งแทงตลอดในขั้นห้าว่าขั้นห้าว่างจากสัตบุคคลตัวตนเราเขาเราเห็นในสมาธิปัญญาเกิดจากสมาธิว่าลูกทมนมม้ำทมลูกก็เป็นธรรมชาติน้ำคือใจก็เป็นธรรมชาติไม่มีตัวตนสัตบุคคลอยนะู่ในนั้น พอเกิดปัญญาวิมุตตหลุดพ้นผู้ที่ได้เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตตผู้ที่ท่านฝึกผลเอาไว้ตั้งแต่อดีตชาติมันใกล้จะไปแล้วแต่มัจจุมานมัจจุราชมาถึงก่อนตายก่อนไม่สาเร็จพอามาเกิดเป็นภพนิชชาตินี้ก็มาเห็นขึ้นมาก็หลุดพ้นไปอ่าเข้าใจนะนี่แหละปัญญาเกิดจากสมาธิ เห็นว่าในสมาธิเราสงบแล้วเราเห็นธาตุขันไม่มีมีแต่ธรรมชาติอันเดียวออกมาที่ท่านได้อันนั้นอันนี้อิทธิฤทธิปเาเจริญหนหรือได้และเลืกชาติหรืออะไรได้หรือมีอะไรก็นี่แหละปัญญามันมาเกิดตอนออกจากสมาธิใหม่ๆจิตนุ่มนวลคู่ควรแก่การใช้งาน ผูที่ท่านออกมาใหม่ท่านก็ น, น้อมจิตเข้าไปเพิจนาดูตอนจิตสงบอยู่นั่นเราจะเห็นเกิดวัญญาขึ้นมาสัตว์บุคคลไม่มีเราไม่มีลมหายใจก็ไม่มีกายก็ไม่มีลมหายกายไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเป็นไหนเราไป็ไหนล่ะไม่มีเรามีเขาอยู่นี้นั่นออกมาเมื่อได้เห็นลูกูได้ยินเสียงมันก็เป็นธรรมชาติ ไม่ใช่เราเห็นไม่ใช่เราได้ยินธาตุขันมันทำงานต่างๆเข้าใจอันนี้ก็หลุดพน้นปัญญาเบติองบง่ายไหมล่ะเห็นเนี่ยฮะนี่แหละการทำสมาธิอานาปานสติถ้ายังไม่หลุดพน้นตอนนั้นก็มาพิจารณาดูอีกออกมาแล้วก็ ถ้าปัญญามันยังไม่เกิดในสมาธิเราก็มาถอดขันห้าดูใหม่อีกรอบที่สองเรียกว่าวิปัสนาทากิจให้เกิดปัญญาถอดขันห้าธาตุสี่ดินน้ำลมไฟใล้นี่ออกดูถอดลูกออกดูถอดกายออกดูถอดเวทนาสัญญา อดใจออกดูกายกับใจนี่มันเองอาศัยกันเกิดตาเห็นรูปนี่ก็คือรูปตาก็คือรูปคือกายของเราเห็นรูปเข้าไปมันก็ไปบอกใจถ้าใจหลงใจรู้ไม่จริงมันก็สําคัญตนว่าเรามีอยู่ในขั้นห้าใจเป็นเราเราเป็นใจมันจึงไปอุปทานเอาสิ่งที่เห็น จึงเกิดความโลภความโกรธถ้ามาแยกกายออกดูละสักยะทิฏฐิวิจิจิชาใได้มันก็หมดเรื่องเท่านั้นละมิจฉาทิฏฐิดับมิจฉาทิฏฐิได้เอาวันนี้ก็สมควรแกรเวลาสมควรแจเวลาแล้วประมาณหนึ่งชั่วโมงเอ า, เอาพอละวันนี้พูดให้ฟัง คอหอมปากหอมคออะไรเป็นยังไงล่ะเข้าใจมัยแหลงฮะได้หรือยังเกตโตวิมุตต์อะฮะได้แล้วโอ้อนุโมทนาด้วยอิลุดพ้นจากขันห้าชั่วเข้าสมาธิเขาเรียกว่าเกตโตวิมุตต์เราแปลไม่ออกเฉยๆหรอกยะถาภูตายานทศนะเราก็ไปเห็นในสมาธินั่นแหละ แต่ก่อนหลวงตาโอ้มาอะไรเราจะได้หรือยถาภูตายันยถาภูตาแปลว่าทัศนะแปลว่ารู้ว่าเห็นยานทัศนะตามยถาภูตายันก็กรู้เห็นตามเป็นจริงเห็นที่เรานั่งอยู่ในสมาธินั่นแหละอิตว่างลงตัวเราไปไหนละ่ะฮะ เราไปไหนเราไม่มีนั่นแหละเห็นตามความเป็นจริงว่าเราไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนไม่มีเขามาตั้งชื่อสมมติเรียกกันว่าสัตว์บุคคลมาเราว่าเขาเฉยๆตอนเข้าสมาธิเราไม่มีนอนหลับละ่ะเออเกือเราไปไหนเวลานอนหลับมีแต่โยมเด่นคนเดียวเจนฮะ <c oughs> นอนหลับเราไปไหน อ๋อเราก็ไม่มีเหละนั่งสมาธิจิตสงบเราก็ไม่มีจึงว่ามีเป็นบางครั้งเข้าใจไหมล่ะไม่มีเป็นบางคราวคราวเข้าสมาธิก็ไม่มีเราไม่มีเขาคราวนอนหลับเราก็ไม่มีเขาก็ไม่มีใช่ไหมหรือมีเขามีเราอยู่มีเตจธรรมชาติว่า ผู้ใดเห็นทำผู้นั้นก็เห็นเรานั่นแหละตัวเราจริงๆคือธรรมชาติท่านเรียกว่าธรรมกายเคยได้ยินว่าธรรมกายเคยได้ยินไหมธรรมกายกายของเราเป็นธรรมชาติอยู่เขาตั้งชื่อวัดธรรมกายธรรมกายเขาก็เอาตัวนี้หละมาตั้งเอาธรรมชาติตัวนี้ว่าธรรมกายธรรมกายไม่มีตัวไม่มีตนมันเป็นธรรมชาติอยู่ ธรรมชาตินั่นนะคือตัวเราแท้ๆคือจิตแท้ใจเดิมของเราเรียกว่าธรรมกายอพอเข้าใจผู้จิตสงบแล้วก็ฟังออกง่ายหลุดพ้นชาตินี่แหละต้องทำเอาศรัทธาเอามามีอะไรเนาะให้เราไปดูบางทีจะได้ทำงานมันหกโมงแล้วงาน รอบินทบาตนั่นแหะเท่นี้เอามะเฮาก็เกินพักกันนะ